สิการสำรวมอินซีวงเล็บเปิดยี่สิมกราคม25งพห้ารในวงเล็บสองวงเล็ปิดการสำรวมอินซีมีความจำเป็นการสำรวมอินซีไม่ได้หมายความว่าไม่ดูไม่ฟังไม่คิดไม่ใช่แต่สำรวมอินซีหมายความถึงว่าในขณะที่เราดูนี่ใจเราเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันจิตใจของเราเองสมมุติว่าเราได้ยินคนเขาว่าเราใจเราเดือดขึ้นมาเลย เรารู้ว่าใจเราเดือดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าสํารวมอินทรีย์สํารวมอินทรีย์ไม่ใช่หมายความว่าห้ามดูห้ามฟังห้ามดมกลิน่นห้ามลิ้นรสอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หนีผัสสะแต่ว่ามีผัสสะตามธรรมชาติธรรมดา น, นี้แหละแต่ว่าจิตยินดีนร้ายขึ้นมาจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมาแล้วเรารับรู้ไหวๆอย่างนี้เรียกว่าสํารวมอินทรีย์